ความรักความศรัทธาความพอใจความสนใจความยินดีความกระตันยูพวกนี้เป็นทมที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะความรักความสนใจความศรัทธาความรักความศรัทธาความสนใจความยินดีความพอใจหรือแม้กระทั่งความอยากพวกนี้ บางทีเขาเรียกวความใคร่ในธรรมธ ร, รมะกาโมเป็นชายาพระธรรมกามูผู้ใคร่ในธรรมอมืรวมถึงความกระตันยูผู้ใดก็ตามมีคุณธรรมพวกนี้อยู่ในตัวเป็นผู้เจริญในธรรมธ ร, รมะเนี่ยเป็นความเป็นการส่งเสริม คุณจะทำให้ปรากฏในตัวเราเองถ้าไร่ทำแบบนี้ทำเหล่านี้ทำกลุ่มนี้อยู่ในตัวธรรมะก็เสื่อมผู้ดใดมีความใคร่ในธรรมมัมันพินิดพิจารณาทำใคร่ควรถึงทำระลึกถึงธรรมสม่ำเสมอระ ล, ลึกถึงธรรมเราอาจจะระบูลงไปเลยลว่าระลึกถึงความรู้สึกตัว อย่างที่บอกว่าเรามีโมหะรู้วมีโมหะเนี่ยตอนนี้หลงนะมันหลงเมื่อกี้หลงก็รู้ว่าหลงลืมก็รู้ว่าลืมรู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกตัวมันมีง่วงก็รู้ว่ามันตธอ น, นี่มันง่วงอะมันเบื่อก็รู้วมันเบือ่อมีสติระลึกรู้บางที่อาจจะหมายถึงตัวความว่างที่มีอยู่ในใจธรรมะเหมือนตือธรรมชาติ คือแล้วแต่ว่าใครจะประสบพบเห็นธรรมต่างกันแค่ไหนพินิษ์พิจารณาทมคนไหนที่ยังไม่รู้สติก็ละลึกรู้ตัวสติพอเป็นธรรมฝ่ายกุศลคนไหนรู้จักสติในการสอดส่องเป็นธรรมวิจัยเราก็เอาสติมาสอดส่องดูใจดูอะไรเป็นกุศลที่เกิดอะไรเป็นอกุศล ดูว่าจิตมันชอบไม่ชอบอะไรจิตมันชอบติดอารมณ์อะไรเราก็จะเห็นมันมีธรรมวิจัยบางคนมีธรรมวิจัยแต่มีกำลังในการที่จะสู้ก็เขาก็มีศรัทธาในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันมีเอ๊ไอ้ตัวนี้มันอาออกไม่ได้สักทีอ่ะมันติดอยู่เรื่อยๆเรืยๆตัวนั้นก็เหมือนพินิพิจารณาธรรมตรงนั้นหรือระลึกถึงธรรมตัวนั้น หรือสนใจตรงนั้นสนใจเหมือนเราเอาเชือกไปสนสะพายควายแทงเข่าแทงจมูกมันแล้วจูงจมูกมันไปเนี่ยเรียกว่าสนสนสะพายเราก็เหมือนกันนะเราก็สนใจสนใจก็คือเหมือนแทงร้อยใจเราเอ า, เอาไว้เลยลึกรู้ไว้เมื่อคนอาจจะมี สัมผัสเรื่องของสมาธิไม่มีความฟาุ้งซ่านว่าหนึ่งอยู่กับความปกติได้แบบสบายๆเร่ยก็เอาใส่ใจเรื่องการอยู่กับสมาธิมันหนึ่งมีสมาธิเพียงแต่ว่าสมาธิมันไม่มีกําลังพอที่จะทําลายอนุสัยหรืออาสวะแต่พออยู่ได้พอมีสมาธิพอระลึกรู้พอประคองอยู่ได้สมาธิตั้งมั่นอยู่คนนั้นก็ สนใจกับสมาธิมีความตันอยูก่กับสมาธิตัวเองมีความพอใจกับสมาธิมีตัณหามีความอยากความใคร่ในการพัฒนาสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นมาบางคนอยู่ที่ปัญญาสนุกอืมกับการทําความเพียรแล้วเกิดความอย่างรู้อะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนั้นก็รู้อันนี้ก็เข้าใจตัวนี้ก็ตัดได้ตัวนั้นก็เกิด สว่างตัวนี้ก็หลุดอะไรประมาณนี้อยู่เรื่อยๆฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นสนใจใครทำพิพจิารณาทำมันและลึกถึงทำอยู่เสมอคือพยายามทำเหตุมันแต่พอทำเหตุแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีความละเอียดในเหตุอันนี้อาจจะเป็นถึงผลก็ได้บางคนมีความลุ่มลึกในการอย่างรู้แต่สุดท้ายก็คือเป็นผู้มีความกระทันอยู่ต่อ ไรศิขานั่นเองต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาคนไหนก็ตามเนะี่ยทำความเพียรและลึกรู้อยู่เสมอนในศีลในสมาธิในปัญญาศีลพิจารณาเขาตัวเองว่าตอนนี้ศีลมันคงไหมมีมากน้อยแค่ไหนตัวไหนมันด่างมันพลอยตัวไหนต้องซักต้องยอมต้องกโขกํากเนิดเกิดใหม่สมาธิล่ะด่างพลอยไหมถ้าสมาธิด่างพ ล, อ ย, งพลอยทํำยังไง ทบทวนไส่สวนสังเกตคือมันมีนะ่ะติดอารมณ์เดี๋ยวไม่ติดอารมณ์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์นะบางคนอยากสืบขาลาเพศบางคนอยากหยุดจากแล้วมันติดอารมณ์ตรงไหนอ่ะแต่บาคนอยู่ได้แต่ไม่เนะี่ยแต่บางคนอยู่ได้แต่อยู่ได้แบบด่างปลอยแต่บางคนไม่ด่างปลอยนะแต่ ม, มีแต่ความคิดมันก็มีประโยชน์เท่ากันนะภาวะพวกนี้ยมันเป็นอารมณ์ บางทีเราก็ติดอารมณ์ติดอารมณ์อะไรเ ล, เลน้อยบางทีติดอารมณ์เพื่อนผู้ปฏิบัติทำด้วยกันนี่นิดห น, น่อยหน่อยนี่เราก็หนักละ่ะบางทีไม่ถึงกับผิดอาบัติอะไรที่มันหนักหนามากสาหัสมันบีบบังคับใจอ่ะแล้วเราก็มองว่าเออทางโลกมันก็มีทางที่จะไปเนาะอย่างนั้นอันนี้ที่ยริงไปอะไรไปตามความคิดเหมือนเดิมแล้วอยู่ถ้าเราอยู่กับความคิดกับออกไปตามความคิดก็คล้ายๆกันนะ่ะหรือเหมือนกัน เพียงแต่ว่าทํายังไงอะชีวิตเนี่ยจึงจะมีความสนใจใส่ฝ่ายทําในการศึกษาเห็นว่ามันอย่างในน้อยนะถ้าเราทําความเพียรอยู่ความเป็นอนิจจังถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันเห็นทันทีศรัทธามีศรัทธามีความสนใจที่จะสังเกตตัวอนิจจังก็จะเกิดขึ้นมาทันทีคือธรรมะคือธรรมชาติที่ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้น แต่คนมันไม่ใส่ใจกับความวิเวกความสงบสงัดแต่ไปนสนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสนใจกับความคิดความหยานอกตัวไปทุกมันก็เลยเกิดเกิดอะไรเกิดกันรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาทั้งที่ปัญหานี่มันเราสร้างขึ้นมาเองเราสร้างขึ้นมาเองเราหลงของเราเองหลงเองแล้วเขามาแก้ของเราเองก็กลายเป็นติดอารมณโดยธรรมชาติเลย ทั้งที่อารมณ์มันก็ถ้าอยู่เฉยเฉยมันก็เกิดดับได้ธรรมชาติมันเป็นเหมือนนั้นอย่างที่เราพยายามประคองสติเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมชาติมันธรรมชาติไม่สุขไม่ทุกข์ธรรมชาติของจิตที่ไม่มีอะไรไปสมมุติขึ้นมันนะไม่มีอารมณ์โทสะโมหะราคะตนะไลยเข้าไปผสมจิตคิดก็เป็นธรรมชาตินะ ดูเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งจิตจนทั้งว่ามันเสียรูปเสียทรงไปถ้ามันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่หนักของสดๆเนี่ยมันไม่เน่าไม่เปือ่อนยะใจว่างๆไม่เน่าไม่เปือ่อยในผูพังแต่เมื่อไหร่ที่เราเสริมสารนั้นสารนี้อย่างเขาใส่อาหารใส่กะทิใส่อะไรมากเนี่ยเน่าเร็วนะ บางทีเราใส่เยอะๆเราก็อยากกินไวๆถ้าไม่ได้กินมันก็เน่าก็เสียอีกแหละต้องไปหาตู้เย็นหาโน่นหานี่มาแช่มาจิตก็เหมือนกัน่ะเรากลัวมันเน่าไวเพามันเปลี่ยนแปลงไวถ้าพอเราไปปรุงแต่งมันน่ะจะเก็บไว้ก็ไม่ได้มันหนักมันแน่นขึ้นแต่ถ้ารู้สึกเฉยๆเนี่ยมันไม่มีที่เก็บเลยสําไปมันอยู่ของมันเองได้อใจว่างๆใจเฉยๆใจสงบใจสงบใจเย็นใจสบายมันอยู่ได้โดยธรรมชาติมัน ไม่ต้องไปหาที่เก็บที่กักไใ่เหมือนกับอารมณ์ที่เราปรุงขึ้นมานั้นถ้าเราเห็นภาวะพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ดูมันเฉยเฉยดูมันเฉยเฉยเดินดูนั่งดูเพราะว่าอากุศลทำอนุสัยในจิตเรามากถ้าเดินไปเด้มาเดกก็หลับแล้วนั่งไปนั่งมาก็ง่วงละงเดินไปสักพักไอ้มไม่ได้มีอะไรเนี่ย สภาวะทำอนุใสแล้วมันมีความหวังทําอะไรแล้วเป็นแบบวัตถุนิยมนะต้องเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนอย่างการศึกษาศึกษาอะไรแล้วก็อยากได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาศึกษาเพื่อให้เห็นความว่างมันไม่เป็นคือทุกกระบวนการของการดําเนินชีวิตเนี่ยเราอยู่ด้วยโลภไปหมดนะศึกษาด้วยความโลภกินด้วยความโลภนอนด้วยความโลภ ถ้ากินแล้วมันไม่มีรสเราก็ไม่อยากได้ใส่เสื้อผ้าคนไม่มองเราก็ไม่อยากใส่เนี่ยมันจะมีตัวโลภะเข้ามาทุกตัวเลยทำมั น, นี่ถ้าคนไม่เห็นไม่มีชื่อมีเสียงเราก็ไม่อยากทํามันกลายเป็นความโลภไปหมดนะประจําอยู่ทุกที่ทุกอันทํายังไงเราจึงจะทําแบบ ศึกษาเฉยๆคือดูเฉยๆดูเฉยๆเห็นความเฉยๆนี่บ่อยเข้าเห็นความเฉยๆนี่บ่อยเข้าไม่ได้ไม่เป็นตัวตนไม่ได้ไม่มีไม่เห็นไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีจิตภาวะเอ้ารู้สึกตัวตอนนี้รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวมันไม่รู้รู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวมันไม่ได้อะไรก็รู้ว่ามันไม่ได้อะไรแต่สมมตว่าเวลามันไม่ได้อะไรเรา กับอยากได้พอมันไม่ได้สติไม่ได้สมาธิเราก็อยากได้สติได้สมาธิทั้งที่จริงสันโดษคือทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตอนนั้นมันอยู่นะจุดนั้นปัจจุบันนั้นเราก็ควรจะปล่อยวางทุกอย่างไม่แต่ความอยากเราเองภาว่าปัจจุบันธรรทำมันก็ปรากฏเองโดยธรรมชาติไม่ได้ก็คือไม่ได้เอายอมรับได้ก็คือได้ แต่บางทีเราอยากหนีไม่อยากอยู่ตรงจุดนั้นเราอยากอยู่ไปจุดอื่นเราก็คิดระบบกเอ้ยรรมนานทำมาฝ า, า, านนี่เราทำไมไม่ได้นะนนี่ใช้ระบบ ก, กะเข้ามานั้นความว่างก็จะหายไปซะมันมีกลายเป็นความอึดดัดพื้นที่เขาบอกขี่โคตามหาโคความว่างตอนเริ่มเริ่มแรกเริ่ ม, ม, มปฏิบัติเราก็มีอยู่แต่สักพักพอเรามีความอยากความว่างก็หายไปธรรมะนะั่นน่ะมันหายไป ธรรมะธรรมชาติมันหายไปพราะมันหายไปเราก็ไม่รู้จะวิ่งไปเอาตรงไหนเพราะพื้นที่ที่เราหาก็คือพื้นที่เรายืนอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าเอา่าตอนนี้มันมีตัวปรุงแต่งเข้ามานะตัวปรุงแต่งถ้าเราเฉยกับความปรุงแต่งเราดูความปรุงแต่งความปรุงแต่งดับไปความว่างก็ปรากฏณนะจุดนั้นไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเมื่อจะเกิดก็เกิดณนะจุดนั้นเมื่อจะดับก็ดับที่จุดนั้นะ มันอยู่ตรงนั้นนะมันมีตัณหาก็ตัณหาก็ดับตรงตัณหานั้นมีโทสะก็ดับตรงโทสะนั้นมีความพอใจก็ดับตรงนั้นนะมันเกิดตรงไหนดับตรงนั้นทอไงมันจึงจะดับเป็นอันนี้จิตต้องเป็นปรมัติคือกระทบดับกระทบดับเป็นเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่ก่อนที่ธรรมชาติปรุงแต่งตอนนี้เป็นธรรมชาติเกิดดับธรรมชาติสุข ธรรมชาติว่างเข้าเริ่มมาเนือนั้นทุกอย่างมันมีความเกิดดับอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยาวสั้นผิดกันแล้ามาปฏิบัติช่วงแรกๆมันก็ยาวธรรมชาติอันนี้แต่พอฝึกไปสักพักธรรมชาตินี้ก็ดับสั้นเข้ามันไม่ยาวมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าแล้วก็เฉยเราเริ่มดูออกนะเขาเรียกว่าธรรมารม ดูบอกว่ากลุ่มเนี่ยเราเริ่มดับอดีตได้แล้วนะไม่ปรุงแต่งนะมันไม่ถือถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงเรื่องโลกๆนะไม่รู้สึกว่ามันบีบบังคับจําเป็นนะที่การงานเลยรู้สึกว่าออถึงเวลาก็ทําไม่ถึงเวลาก็อยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วอะไรประมาณนั้ น, นนะมันทำไม่ได้มันไม่สนุกนะ ถ้ามันสั้นเข้าสั้นเข้าไปนี่มันก็ว่างขึ้นวางขึ้นเราก็เห็นความว่างคือเห็นธรรมะเห็นความว่างนี่เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตตอทีเนี่ยเริ่มมองนะบางทีมันก็หลงอารมณ์นะหลงไปอยู่ความหวังคือคิดการศึกษาแบบลกโลกนะเราไม่ได้คิดพินิษฐพี่เคราะห์ว่าเออธรรมะคือความไม่ทุกในะปัจจุบันเนี่ยมีสติคือความระลึกรืมลืมบ่อยๆเข้าไปในอารมณ์บ่อยๆบางทีมัน มันไม่เย็บขายความรู้ตัวเฉยๆก็เกิดยากพาอเกิดยากเราก็ไปหลงประเด็ดนนี่เอ้ยทำไมว่าตัวสติมันไม่ก้าวหน้าเราก็กำหนดรู้อยู่นะเลยประมาณนยิ่งเรามีความอยากนี่มันยิ่งเพียนไปเรื่อยเพียนไปเรื่อยมันเหมือนชีวิตนี่เราไปคัดลอกตำรานะอย่างพวกเซนก็เห็นว่ายิ่งลอกยิ่งเลอะยิ่งลอกยิ่งเลอะ คัดลอกเอาความว่างมาแล้วจำมาว่าความว่างเป็นโน้นแล้วมาหาความว่างหาไปฮามาันก็หลงทางไปเรื่อยคัดลอกครั้งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งนะถ้าคนสองไปคัดลอกมาอีกมันจะเริ่มเพี้ยนไปคัดลอกครั้งสามเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเพี้ยนไปเหมือนกันตำหรับตาลาความรู้คําอะไรก็ถามจะเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นสัญญาสัญญานี่มันไม่เที่ยง ครั้งหนึ่งเป็นแบบหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นแบบหนึ่งความจาเนี่ยแต่ที่ถ้าเรารู้สึกตัวชัดๆสติเราดีๆได้สัญญาเดิมมาสัญญาแท้สัญญาเดิมสัญญาดั้งเดิมนะ่สัญญาที่เกิดจากปัญญานะสิ่งที่เราสัมผัสเรารู้เราสร้างขึ้นมาเองเนะี่ยสิ่งที่มันเกิดมาที่เราบอกเออเราได้เกิดแล้วเนี่ยภาวะแบบนี้ก็จะเป็น สัญญาที่มีมูลค่ามีราคา ม, มีภาวะในการรักษาดูแลคุ้มของตัวมันเองได้เพียงแต่เราใส่ใจและลึกรู้บ่อยๆและลึกรู้เนืองๆสนใจเนืองๆในการที่จะอยู่กับกายอยู่กับจิตไม่เป็นคำคาเดียวกันนะ ที่พูดเมื่อกี้ความสนใจความศรัทธาความรักรักในหน้าที่การงานตื่นมาแล้วทำความเพียรขึ้นมาทำความเพียรเพียรเพื่ออยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้มองไปที่คนโน้นคนนี้ไม่ได้มองที่อย่างนั้นนี้โลกนี้มันจะเสื่อมจะยังไงก็ตามจิตเราก็ไม่ให้มันเสื่อมเราจะเป็นคนรักษาคนเป็นดูแลจิตตัวเองให้ตั้งมั่นสม่าเสมอไม่หมันหวั่นไหวระ ล, ลึกรู้ ในความต่อเนื่องอันนี้ให้ยืนยาวนานคือรักษาพรหมจันทร์ของเราเองความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยให้มันได้ต่อเนื่องของใครพรหมจันทร์ใครจะหลุดจะลุยจะปรุงจะแต่งจะไปฉาบสีทาอารมณ์อะไรเข้าไปกระทำเราไม่เอาละเราอยู่กับปัจจุบันธรรมเราเลึกรู้อยู่เรื่อยๆมันก็จะผ่องใสคนหนึ่งอยู่ด้วยความ ร, าร้อนร้อนคนหนึ่งอยู่ด้วยความปกติเนี่ย ปกติชีวิตมันมีมันปกติมันสงบสงัดขึ้นมาเราเห็นมันแต่แน่นอนมันก็มีคลายมีความคลายต้องมีความรู้สึกวงที่มันก็เครียดจัดเครียดบางทีเกินไปบางทีก็มากไปบางทีก็น้อยไปมันเป็นธรรมชาติอันนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับธรรมะอยู่กับประจนบันณธรรมอยู่กับความ รู้อา้าวเหมือนกับการบิวอารมณ์เนี่ยเอาศีลตอนเนี้ยศีลมีสติเป็นศีลเป็นขรุขค อ, อยเราก็ดูไม่ศีลเรายังอยู่ไม่ยังอยู่ศีลตัวนี้พัฒนาทําพื้นที่ให้ว่างขึ้นไหมจิตมันตั้งมันไหมจิตมันตั้งมันมันเริ่มตั้งมันขึ้นมาไม่หวานไหวเท่าไหร่ฮะเริ่มตั้งมันสั้นเข้ า, ส, ขาสั้นเข้าก็เริ่มเป็นสมาธิดะะเป็นปัญญาคือตัดได้มันก็ว่างอ่ะเนี่ย ทีนี้ปัญญาไอ้ตัดได้ที่มันว่างๆเนี่ยทำไงมันถึงจะขยายวงกว้างขึ้นปัญญาที่ไปรู้เหตุเกิดทุกข์ถ้ามันเหตุเกิดทุกข์แล้วมันถึงว่างนะมันปลงได้มันปล่อยได้ปัญญาคือปล่อยคือวางทําไงเราจึงเห็นอาการปล่อยอาการวางนี่ได้หลุดออกจากอันนั้นหลุดออกจากนนี้ทีนี้ในจิตเราเนี่ยมันคล้องด้วยอารมณ์ไว้เยอะมากมีบ่วงมีอะไรคล้องใจเราเยอะ นี่เราจะหลุดพ้นกี่ครั้งอนะ่ะหลุดกี่ครั้งมันถึงจะหายหลุดกี่ครั้งมันถึงจะเป็นปกติเราหลุดครั้งนี้เราเรียกว่ามันหลุดครั้งสุดท้ายไหมทํายังไงมันจึงสัมผัสได้ว่ามีความหลุดครั้งสุดท้ายเกิดทุกเนี่ยเกิดครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนั่นแหละมันก็ต้องมาที่ตัวสติอีกหละตัวที่เฝ้าดูเนี่ยตัวศรัทธาตัวใส่ใจใส่ใจมันตลอดนะเมื่อก่อนเอ้อยตื่นเด็กก็ลําบากแนละ้ว ตื่นดึกก็ลําลบากแล้วแต่ต่อมาพอทําทความเพียรนนะักเข้าหนะักเข้าถ้าตื่นเลยอยากทาเลยแล้วก็ตื่นดึกขึ้นลุกเชา้าขึ้นตั้งใจทํามากขึ้นมากขึ้นเอา้ากลายเป็นความสงบเป็นความสงดัดเป็นความถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเองว่าตื่นมาเราต้องอยู่กับสมาธิอยูนมากก็ตื่นมากก็เขาไปสู่สติตื่นมาก็อยู่กับปัญญาปัญญารู้ปัญญาเห็นเนี่ยเข้าใจทันทีมันก็มีความปกติของมันเอง ก็จาชัดวันแต่หากว่าเราเลิกเราละเราเบื่อหน่ายเราไม่หมั่นใจท้อถอยมันเริ่มตั้งแต่เราไม่เห็นแล้วแหละนะความเสื่อมเรื่องปรากฏกับจิตเราเป็นความเสื่อมนะเป็นเสื่อมทางภายในเพราะมันเสื่อมลงเสื่อมลงกายไปหายไปหายไ ป, ยไ ป, ยไปมันไม่คงที่มันไม่สงบสงัดทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เรื่องดีตั้งแต่เบื้องต้นเอา้า ตอนนี้เป็นไงหนึ่งเหมือนไฟเนี่ยเถาไปสักพักหนึ่งมันหมดเชือ้อหมดเชือ้อหมดกําลังใจเอาแล้วมาอยู่คู่บายอาจารย์ให้กําลังใจเอาไปสักพักเชื้อมันหมดพอมันไม่ไปแต่ก่อนเอาฟังธรรมะฟั ง, ฟ ง, ด, ด, ฟง ด, ดูดีฟังดีปฏิบัติกรีต่อไปสักพักมันก็เบื่อหน่ายเพราะทำได้ปุ๊บมันไม่ก้าวหน้าฝัางมันอะไรว่าทอแท้ใจเราจะเริ่มละเริ่มหาเชื้อมาใส่เองเป็นท่านบอกว่าวิธีแบบนั้นไปนี้ เอาศรัทธาไปหยิบมาใส่นี้สมาธิหยิบมาใส่สิปัญญาหยิบมาใส่คือเอามาปรุงทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ตรงไหนนะความเพียรเด็อก็เอาความเพียรมาใส่หามาเรื่อยๆมีการสนทนาปลาใสยการศึกษาการเรียนรู้การเข้าหากายานามิตรอะไรประมาณเนี่ยช่วยแนะนำช่วยชี้แนะตักเตือนช่วยเติมเสริมแต่งในส่วนที่ขาดหายไป ไฟที่อยู่ในเราเนี่ยมันก็จะเริ่มตื่นโพลงขึ้นมาเผาอารมณ์พื้นที่อันนั้นให้กลายเป็นความว่างได้เราก็จะเห็นว่าเอมันว่างอีกแล้วเห็นไหมมันว่างอีกแล้วว่างอีกแล้วก็คือได้อารมณ์อีกแล้วจิตเราเนี่ยไปสักพักก็ได้อารมณ์อีกได้อารมณ์อีกได้อารมณ์มีสมาธิเหมือนจิตเราติดไฟเอาไว้ในใจเนี่ยคอยเผาอะไรทุกอย่างตลอดเวลาต่อเนื่อง เชื่อเธอนะ่ถ้าเรามีความสนใจความศรัท ธ, ธาความกระตันอยู่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไตรศกขาต่อครูบาอาจารย์เพื่อนธรรมิกอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยไปได้บางทีมีแต่เราตั้งใจต่อธรรมนะฝ่ายใจทำพิิพิจารณาทมบางทีก็ไปไม่ได้บางทีถ้าไปหาครูบาอาจารย์แก้ไขเอาหายบางทีคุยกับเพื่อน ผู้ปฏิบัติธรรมนิดหน่อยเอ้าหลุดได้มันดีขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะ ม, มันเหมือนถ้าเป็นคนนี่เหมือนตำราที่เคลื่อนที่ได้แต่เราปรึกษาหนังสือนื้หาตำหลับตำลาเนี่ยมันขยับตัวไม่ได้มันเป็นตำราไม่มีตัวตนแต่ถ้าเป็นตำราตัวตนนี่เหมือนการที่เรากินอาหารที่มันมีชีวิตชีวาเหมือนกินผักสดอย่างเงี้ย บางคนกินผักสดแล้วกินได้ดีเจริญอาหารบางคนกินผักสุกไม่ใช่ผักสดนะไม่มีกําลังใจเบื่ออะไรประมาณเนี้ยมือ่อเหมือนกันนะดังนั้นเขาจะมีการปลูกฝังอธิพรมอาจารย์อธิพรมอาจารย์ก็คือระเบียบวินัยข้อวัดปฏิบัติอย่างเราเอา้ามีความกตัญญูต่อข้อวัดปฏิบัติตื่นดึกลูกเช่าทําวัดสวดมนต์มีความตั้งใจใน กิจวัตรประจําวันการปัดการกวาดการหลับการนอนการอะไรประมาณเนี้ในวิถีชีวิตเราเนี่ยถ้ามีความกตัญญูปฏิบัติจนถ้าเราเป็นวัดวัดกิดจวัตรวัดธรระนะวัตธรระมีความสม่ําเสมอนะทําอยู่เรื่อยๆสติสัมปชัญญามันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาเองเพราะกิจวัตรทั้งหลายถ้ารวมตัวเป็นหนึ่งก็คือมารวมเพื่อฝึกจิตให้สู่ความ ว่างความปกตินี่แต่ถ้าเราทํากิจวัตรทําอะไรแล้วคลายเป็นข้อวัดที่เราต้องยึดยึดอันนี้ก็ทําได้นะเป็นตัวเป็นต้นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเนี่ยอันนั้นจะเป็นเป็นสีละพจน์ทันทีสีและพจน์ปรามาตทันทีทนททนทแต่ทาเพื่อให้มันรวมตัวเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าสติอย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องรวมตัวขึ้นเป็นหนึ่งเพื่อแทงทะลุมากลายเป็นตัวมหาสติ ศทาวิญสติสวาธิปัญญารวมตัวกันเป็นมหาสติเพื่อระลึกรู้จนทั้งว่ารู้ตรงไหนและหลุดตรงนั้นรู้ตรงไหนหลุดตรงนั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่หลุดไปหายไปมันสลายดับไปไอ้นี่เรารู้สึกตอนไหนดับตรงนั้นได้รู้สึกตอนไหนดับตรง น, นั้นนี่เขารวมเรียกว่ามรคสมังคีรวมมรคอริยมรคจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะกาันหลับไล่ความไล่ความหลับ ความเกียจค้านความไม่ศรัทธาความเมาอาหารอะไรประมาณนี้คือถ้ามักมันรวมตัวกันได้ความม่วเงเฮานอนไม่มีความเบื่อความไหน่ยเราไล่โอโมวก็จะกลายเป็นความว่างแต่นี้ถ้ามันเป็นมักแข็งแข็งมักเยอะเยอะมักที่มีคุณภาพมีพลังเขาเรียก ว, ว่าศรัทธามางทีสัทาเขาเรียก ว, ว่าพละนะมีศรัทธาเอ พละห้าอินซีห้าอย่างเงี้ยครับพละห้าพละห้าก็คือต้องให้มีมันมีกําลังทั้งห้าอย่างมีศรัทธาเยอะๆวิริยะสติสมาธิปัญญามีกําลังเพียบพร้อมพร้อมที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแหลมคมแทงตะลุอารมณ์ได้ไม่เรียกว่าพละห้าเขาก็เรียกว่าอินซีห้าคําว่าอินรีห้าคือตัวอินทรีย์นี่เขาหมายถึงตัวอืมอินซีย์เหมือนนกอินทรีนี่แหละนกอินรีก็นกใหญ่ ยินซีห้าในตัวเรานี่หมาว่าศรัท ธ, ธาก็ต้องใหญ่นะไม่ใช่ศรัท ธ, ธาในน้อยแล้วหลุดไววิริยะก็ต้องใหญ่สติสมาธิต้องใหญ่ต้องโตต้องเข้มแข็งมันถึงจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ศรัท ธ, ธาห้าพละห้ายินซนียินซีห้าพละห้าต้องรวมกันเป็นเป็นพลังเป็นพละ เ, เป็นกําลังมีความเข้มแข็ง ทำลายทุกอารมณ์เห็นทุกอารมณ์เป็นความว่างให้ได้คือสุดท้ายก็คือพอสติมันมีเสมาที่มีเพมันก็จะทําให้ตัวอันนี้จังเนี่ยมันชัดขึ้นทุกขังชัดขึ้นอนัตตาชัดขึ้นปล่อยวางพวกนี้ได้ไวเพราะปล่อยวางได้ไวก็อารมณ์พวกนี้มันก็ปรากฏอยู่ในทุกๆทุกๆขันเนี่ย ทุกทุกขันทุกขัดขันทุกขัดันทุกขัดขันทัสสะอันตะกริยายปัญญาเยถะทุกขักขันทัสสะอันตะกริยายคือทุกที่ปรากฏอยู่ในขันเราให้เราเห็นทำไนกันทำที่สุดแห่งกองทุกทุกขักขันทัสสะอันตะกริยายคือให้เห็นความว่างให้มีปัญญาหรือปัญญาคือการเห็นขัน มันว่างนั่นแหละขันแห่งความทุ ก, ทกข์ขัดขันสะคือความทุกข์มันชัดขึ้นการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เห็นไหมต้องการให้ทุกข์มันปรากฏชัดที่พอมันทุกข์ขังโอ้ยทุกข์แล้นะเนี่ยดูไปสักพักเอา้าอันนี้จังเริ่มเสื่อมคือมันจางๆลงอ่ะทุกข์น้อยลงสั้นเข้าเนี่ยก็เรียกว่ามันอันนี้จัง ไปสู่ความว่างก็เป็นอนัตตาทีนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทําังไงมันจะเป็นหนึ่งเดียวกระทบปุ๊บตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ค่อยค่อยไม่ใช่ค่อยคโตโตปุ๊บเลยทุกขังโตไปสู่อนัตตาเลยพลุบทีเดียวเลยนะพอกระทบปุ๊บอนัตตาโตปุ๊บอนัตตารวมก็เป็นหนึ่งเดียวนี่ฉั้นมันก็ต้องเห็นว่าไอ้ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมันทุกข์จริงๆนะมันทุกข์จริงๆนะทุกข์จริงๆตัจน เราไม่อยากสนใจพอไม่สนใจทุกมันกระดับมาแล้วก็ไปทันดีมาแล้วก็ไปดัน ด, ด, ดีเราต้องไม่ใส่ใจไม่สนใจมันทุกที่เข้ามาในชีวิตเราเห็นมันเฉยเฉยแล้วก็มันก็กลับบ้านไปเลยมาทางไหนก็ไปทางนั้นปฏินิสโคมาทางไหนไปทางนั้นมาจากไหนไปที่นั่นจาโคสลัดทิ้งปฏินิสโคสลัดคืนมุติหลุดไปพอมันมาปุ๊บ มันก็หลุดไปเป็นวิมุติไปเลยอะอนาฬโยไม่มีความหลงไหลอะไรในอารมณ์นั้นมายังไงก็ดับไปงั้นมันก็ปกติของมันขึ้นมาทานันทีสำคัญว่าเราทั้งหลายอืมต้องเป็นเปลี่ยนไม่เป็นผู้โท้แท้ใจต่อวัดปฏิบัติเราทําทุกวันไม่ได้ทําเพื่อใครไม่ได้ทําเพื่อคนนั้นทําเพื่อคนนี้นะแต่ทําเพื่อทำทําเพื่อทำก็คือ ทำเพื่อความปกติให้มันโผล่ออกมาอมีทำประจําใจว่าวันนี้ก็อยู่ในความว่างนะน่ะมีแต่ว่างเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่ว่างจิตมันว่างว่างวงว่างมันว่างมากว่างมากขึ้นทำให้มันว่างเหมือนบ้านเราเนี่ยและศาลาหลังเนี้ยนานๆเขาก็ต้องมากวาดมันกวาดมันเดี๋ยวมันฝุ่นมาจับก็กวาดโอกวาดมันว่างว่างก็พร้อมที่จะใช้ ใช้เป็นห้องทํางานใช้เป็นที่อะไรก็ได้เพราะมันว่างเราไม่ต้องจัดไปเพราะมันว่างอยู่ทุกวันแล้วใจนี้ก็เหมือนกันให้มันมีแต่ความว่างมีแต่ความว่างเราเคารพไตรสิกขาเคารพข้อวัดปฏิบัติของเราเองเคารพปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมันก็รวมตัวเป็นสัจธรรมเป็นหนึ่งเดียวขึ้นมาะอันนี้ก็ว่างอันก็ว่างทางตาก็ว่างทางหูก็ว่างจมูกก็ว่าง ทางลิ้นก็ว่างทางกายกว่างความรู้สึกนึกคิดกระทบแต่ละครั้งก็กเป็นความว่างพอมันว่างว่างว่า ง, วา ง, วางรวมตัวของเขาก็กลายเป็นนิพพานเพราะธรรมชาติเขาก็เป็นแบบนั้นนั่นเองแต่อย่างว่าเขาบอกไม่ต้องให้ยินดีไม่ให้ยินดียินได้ต้องเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นทำเฉยเฉยรู้ทำเฉยเฉยเพราะถ้าทําจิตเราเองก็เป็นธรรมชาติหนึ่งถ้ามีความยินดีความพอใจติดใจ จิตนี้ก็ถูกปรุงแต่งอีกและเรารู้สึกออจิตเรายังถูกปรุงอีกนะมันปรุงด้วยปีติปรุงด้วยสมาธิปรุงด้วยญาณมันมันไม่หลุดพ้นจากอันนี้ไปได้แต่ว่าพวกนี้จะเป็นกิเลสขันละเอียดกิเลสขันละเอียดคือความยิน ด, ดีความพอใจในสิ่งเหล่านี้ในอารมณ์ในเส้นทางการเดินเนี่ยเดินไปก็เห็นทางนั่นก็ชอบอันนั้นชอบอันนี้จะแวะซื้ออันนั้นแวะซื้ออันนี้ก็เลยไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราจะไป พเพราติดสวยๆเงงงามติดดีๆติดอะไรพวกนี้ระหว่างทางอยู่นะั้นทําไงเนี่ยเมื่อก่อนเรายังไม่ได้เดินทางเราก็อาจจะเบื่อในบ้านแต่พอได้ไประหว่างทางมันมีอะไรไดีๆถูกถูกใจก็ติดในระหว่างทางอยู่แหลถ้าเรารู้ว่าเออพรหมจรรย์นี้มันยังไม่สิ้นสุดเราก็เริ่มศึกษาเรียนรู้เฝ้ามองอยู่นีเรื่อยเฝ้ามองเรื่อยเรืรู้เห็นเรื่อยเรืยรู้เห็นเรื่อย อยู่เรื่อยๆเบื่ อ, อมันต้องมีแหละเบื่อเนี่ยนะขนาดคนไปเที่ยวอาวากาศยังเบื่อเป็นเลยนะไปเที่ยวกรุงเทพก็เบื่อเป็นไปเที่ยวไหนนๆก็เบื่อเป็นเะน่ะมันเบื่อเพราะมันต้องให้จิตมันถูกปรุงแต่งเพราะปรงแต่ ง, า ม, ตงมากเข้าว่ามันหนักนะเมืนเรากินหวานเนี่กินมากเข้ามาเข้ามาเข้าจัดกลายเป็นอย่างอื่นนเป็นขมนะหวานเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพอ อินซูลินมันไม่รับเนี่ยตายทันทีนะเป็นอย่างอื่นนะมันรับไม่ได้แล้วหวานเกินไปกลายเป็นขมนะทุกอย่างกระทบได้เลยเมืม่อก่อนเห็นเห็นมาเขามาข่าเขามันหนักอกหนักใจหนักอกหนักใจมันก็บูดก็บี้ยวนะเหมือนตะก้านี่แหละเสียรูปทรงไปพอรักมากๆกลายเป็นชังนะทีเนี้ยกลายเป็นชังเห็นไหมบางคนทีแรกคนกคนี้มาทําถ้าทํา ท, ทางนิ่ใส่ไปนั้นวินีจดีเอาอกเอาใจเขาชอบแต่พอสักพัก อกเอาใจเขาจะเบื่อใดไม่ชอบอแบบเนี้ยคือจิตมันเริ่มถูกปรุงแต่งมากเข้ามาเขาจะเบื่อใดมันก็เป็นวันที่เราติดปีติวันไหนก็โอ้ยมันก็มีปีติแต่ก่อนนั้นดีแต่ต่อมาไม่ทีปีติก็อยู่แค่นี้ยอยู่แค่นี้ไหม่ไปไหม่มาเบื่อในการที่ต้องรักษาทําำยังไงก็ตกมาตรงนี้ก็ต้องศึกษาต้องดูใหม่อยู่เรื่อย ๆ, ๆเอาไปมาอืเราไม่ชอบตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ชอบ อยากให้มันเป็นสมาธิโดยธรรมชาติมันทำไงอ่ะมันต้องหลุดจากอันนั้นมาเป็นอันนี้หลุดจากปีติมาเป็นสมาธิจากสมาธิตั้งมัน่นนี่ทำไงต้องจึวเป็นธรรมชาติไม่ต้องมากำหนดรู้ไม่ต้องมาเฝ้าดูอะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอีกปฏิบัติธรรมเนี้ยจเจริญสติพยายามเรียนรู้การได้อารมณ์การไม่ได้อารมณ์การตั้งมั่นอยู่ของอารมณ์การดับไปของอารมณ์เห็นเกิดเห็นดับ ที่มันละเอียดหน้าเข้ามาเข้ามาเข้านะไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เลยรนะเห็นธรรมารมตัวธรรมะที่มันเกิดมันดับมันมีแล้วมันหายอะไรประมาณเนี้ยดูไปเข้าไปเข้าก็เอาก็เป็นวิมุตต์หลุดพ้นจากความปรุงแต่งอันเนี้ยจิตมันหลุดพ้นจากความที่จิตอยจะปรุงแต่งนะอยู่ในภาวะปกติอืมมันก็มีความสงบสงัดขึ้นมาก็าเรียกว่า สงบแบบรู้ไม่ใช่สงบแบบไม่รู้สงบแบบผู้รู้อารู้ตลอดพจนิสงส์รู้มันเป็นทุกข์นะไม่เข้าไปยุ่งกับทุกข์รู้เป็นสุขก็ไม่เข้าไปยุ่งกับสุขรู้ว่ามันสงบแต่ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความสงบเป็นผู้รู้อนี้ฉะนั้นธรรมะในใจเราก็มีความเจริญมีความเจริญมีความผ่องใสเบิกบานอยู่วางสว่าเสมอเนี่ยอืม มันก็เหมาะคู่ควรต่อการงานไม่ว่าจะเป็นการงานทางโลกหรือการงานทางธรรมมีอะไรทําก่อนทำไม่มีอะไรทําก่อนไม่ดำนะแต่เรามีการกระทําอยู่ข้างในทําเหมือนไม่ทําไม่ทําก็เหมือนทําอะไรประมาณนี้เพราะมันทําข้างในทําข้างในคําข้างในก็คือรู้เห็นอยู่ข้างใน เราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่สนใจใส่ใจศึกษาศรัทธามีความรักในหน้าที่การงานรักในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกิ จ, จวัตรพวกนี้รักในข้อวัดปฏิบัติรักในเพื่อนสาตมิกุอาจารย์รักในศีลสมาธิปัญญาพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนทั้งว่ามันรวมตัวกันเป็นหนึ่งสามารถ ไขข้อข้องใจหายสงสัยในสิ่งที่เราติดพันมาสามารถตัดวงจรตัดบ่วงตัดอะไรในใจเรากลายเป็นธรรมชาติล้วนๆได้นั่นแหละนะถือว่าเราถึงที่สุดทุกข์หรือจบพรมจันทร์ให้พยายามทั้ง อ, อกทั้งใจนะตอนเช้านีครับกลับมาพมกัน